ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลงระโพธิาณในวันนี้ก็คงสืบเนื่องมาจากเรื่องพรมมิหารทั้งสี่ประการเสริมมันก็ต่อมาจากสมาสังกปะในข้อที่สองคืออัิญญาปาดาสังกปะคือความดำริในการไม่พยาบาทก็ได้แก่อัโทสะคือ หมายพะทุสรายแล้วก็ได้แก่เมตตาจิตซึ่งมองสัตว์ประชีวิตด้วยความรู้สึกเมตตาคือปรารถนาดีมุ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลเหล่านั้นโดยมองสัตว์ทั้งปวงเป็นอารมณ์ เวลาเราแผลไมตาเป็นสังเกตว่าท่านจะใช้กรรมศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่เพ้อสุสร่ายกันให้แต่และชีวิตอยู่ ด, ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตน เ, ออเป็นวิธีการประการหนึ่งในการรักษาคุณภาพจิตของเราและเป็นการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นอย่างสร้างสรรค์พัฒนา คอยเกิดการอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรมีความสุขความสงบเป็นผลตามที่คนต้องการพประทันใจตรงนี้ได้เมื่อคนอื่นประสบปัญหาประสบความทุกข์เราก็สเพสตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดุกฆาอมุติจตุจงหลุดพ้นจากทุกข์เถิดแล้วเราก็วขวนขวายด้วยกายบ้างหรือ ว, ว่าจจบ้างหรือว่าถึความคิดบ้างต้องการมันเราทุกข์ไปโรคแก่เขาก็กลายเป็นกรุณา นี่ เ, เราประสบปัญหาไม่ใประสบปัญหาประสบความสุขความเจริญประสบไปราบยดสรรเสริญสุขในี่ตามปกติแล้วคนจะริษยาในทัานนี้ทั้งก็ทรงสอนเรื่องมุจตาหรือสุขเพลินเพลินชื่นชมยินดีในการได้ดีของบุคคลเล่านั้นเป็นการลดความโลภในสิ่งที่เขาได้ลดโทสะในตัวเขาลงไป แล้วก็ลดโมหะในกระบวนการแห่งกรรมเราก็ปฏิบัติธรรมะคือถ้าเทียบแล้วเนี่ยเราได้มากกว่าที่เขาได้คือสิ่งที่เขาได้นั้นเป็นรู ป, ปรวัตถุแต่เราอาศัยเขาเราได้ความสงบภายในใจของเราซึ่งเป็นบุญเป็นกุศลจริงๆเป็นคุณภาพในด้านจิตใจจริงๆ ส ท, ที่เขาได้ครอบครองนั้นโจรอาจจะลักขโมยไปก็ได้แต่ว่าของเรามันเป็นคุณภาพของจิตที่ทรงแสดงว่าบุญยังโจเรหิดูรังบุญโจรนำไปได้ยากหรือว่าบุญโจรนำไปไม่ได้ประการต่อไปเนี่ยเป็นธรรมะตัวหลักคือคล้ายๆถ้าเราเปรียบเทียบพระมิหารเป็นบ้านเนี่ยเนะมตตานั้นเหมือนกับบ้านทั้งหลัง การดูแลการรับผิดชอบบ้านทางหลังกรุนานั้นก็คือห้องน้ำกับห้องอาหารเป็นห้องบนเทาทุปเราใช้เวลาเรามีทุกเท่านั้นเองอย่างปกติเราก็ไม่ได้ใช้ห้องน้ำห้องอาหารมุติตานั่นเหมือนก็ห้องรับแขกแล้วก็อุเบกขาเนี่ยมันก็ห้องนอน หลการแสดงถึงเสร็จภารกิจคือไม่มีเรื่องจะทําแต่ถ้าขืนทําไปแล้วก็ผิดจะยกตัวอย่างว่าคนสนุบเมตตาเนี่ยนะคนสนุมเมตตาเข้ามาแล้ววัดีเขาไปฆ่าคนตายเขาไปค่ายาบ้าตกตำรวจจับก็ไปฆ่าคนตายตกตำรวจจับสารตัดสินติดคุกตลอดชีวิตหรือว่าประหารชีวิตอย่างเนี้ย ลองดูธรร้ะาสามข้อนี่ใช้ไม่ได้เลยเราจะปรารถนาให้เขาอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภัยก็ไม่ได้นะเขาก็ติดคุกมันก็อยู่อย่างมีเวรมีภัยเมีอนตรายเขาจะช่วยเราเราจะช่วยเขาหลุดพ้นจากความถูกยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยเราก็ติดคุกด้วยไปแสดงมุทิตาจิตหรือแสดงมุทิตาด้วยนะที่คุณได้ติดคุกเนี่ยไปใหญ่เลยทําไม่ได้ เห็นไหมธรรมะแท้ๆเนี่ยปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่ว่าถ้าธรรมะแล้วต้องปฏิบัติได้ตลอดเพราะธรรมะจะมีลักษณะเป็นยาอย่างที่บอกไว้คือไม่ใช่ว่าใช้ยาได้สารพัดโรคยาบ้างอยามันก็ใช้กับอีกอย่างหนึ่งไม่ได้เราปวดหัวเราใช้ยาแก้ปวดท้องมรารักษาไม่ได้มันก็แล้วแต่ว่ายานั้ น, นจะบำบัดอะไรเป็นเป็นหลัก เพรา ะ, ะนั้นมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องใช้อเบกขาอุเบขาเป็นเรื่องของการมองในกระบวนการของกรรมเป็นปัญญานะฮะอาจารฝังลองสังเกตว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยพระมิหารเนี่ยก็ก็ก็คือกุศลละมูลนั่นเองคือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั่นเองเสแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายในจิต จะดีกว่าเป็นเจตสิกธรรมที่เกิดขึ้นปรุงจิตของบุคคลและสร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นไปในจิตของบุคคลตามสมควรแก่ฐานะของธรรมะเหล่านั้นอุเบขาเป็นอาการทำใจเป็นกลางกลางคือไม่ยินดียินไร้เพราะถ้าเรายินดีเวลาเข้าประสบความพิบัต มันก็เป็นการช่าเติมเขาก็เป็นการเบียดเบียนเห็นไหมมันก็เป็นวิหิงสาคือขาดกับลักกรุณาทีนี้ถ้าเราจะยินร้ายเวลาเขามีความเจริญก้าวหน้าเนี่ยก็แสดงเราฤิสยาถ้าเราจะทำอย่างอื่นเราก็ทาไม่ได้มันก็ใช้อุเบขาอุเบขาที่จะ ทำได้ง่ายเนี่ยคือในแต่ละวันอย่าไปยินดียินได้อะไรมากเกินไปโดยการมองสิ่งทั้งหลายตามที่เขาเป็นคือก็เป็นยังไงเราก็ยอมรับสถานภาพตรงนั้นตามที่เขาเป็นไม่แสดงอาการลิงโลดไม่แสดงอาการยินดียินได้อะไรมากเกินไปแล้วถ้าหากว่าเราทำจิตได้อย่างนี้พกคนที่เรารัก หรือคนที่เราเฉยๆหรือคนที่แม่เราไม่ชอบประสบผลนกรรมของเขาถึงตามปกติแล้วทำจิตยากเช่นคนที่เรารักประสบภัยทุกทุกภัยโรคกับทุกภัยโรคนี่แล้วตอนี้มันมันมันอยู่ในฐานะที่เราช่วยเหลืออะไรไม่ได้เพราะว่าเป็นกรรมของเขาหรือจะเกิดโศกะหรือจะเกิดโศ โถมนัดเสียวเสียใจลูกหลานติดคุกเนี่ยพ่อแม่ก็นอนติดคุกต่างแต่ตารางดวงใจอยู่ที่บ้านเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าไม่สามารถทำใจยอมรับถึงกฎของ ก, กรรมได้ทีนี้สมมติว่าคนที่เราไม่ค่อยชอบแล้วเขาประสบผลของกุศ ล, ลกรรมมีความเจริญก้าวหน้า มีความสาเร็จประสบความสาเร็จเราจะเกิดเป็นทุกข์นะฮะพลังวิสยานั่นถทกากีล่ล่ะใะคนอี่นเขาได้สุขเดียวได้ทุกข์เลยในกรณีนี้ท่านจึงสอนในธรรมโมเบคาคือทำใจเป็นกลางกลางรู้ได้อย่างไรว่าใจเราเป็นกลางกลางคือไม่เอาใจไปผูกโยงกับคนด้วยความรักหรือด้วยความชังมากเกินไปดังกล่าว เพรา ะ, ะรถ้าไม่ไม่อย่างนั้นแลละมันจะแกว่งไปหาอาคติซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดอาจ า, าเวลาไปบรรยายอบรมทิศารนะฮะเมื่อก่อนลูกศิษย์ก็เป็นเลขาธิการที่สถาบันพัฒนาตุลาการเขาก็นิมนต์ให้ไปอบรมอยู่บ่อยๆเราจะเน้นเรื่องอุเบกขากับอคตินี่จะเน้นอย่างเนี้ย ต้องฟังคงนึกออกในเรื่องท้ามารีวราตว่าความเรามาเกียนตอนท้ามารีวราตว่าความมันมีอยู่ประโยคหนึ่งคือสถานการณ์มันค่อนข้างจะบีบคั้นอารมณ์ท่านแต่ว่าท่านไม่ใช่พรหมนะฮะถ้าท่านเป็นพรหมท่านก็ไม่ได้ถูกบีบคั้นอะไรคือทศกัณฐ์เป็นหลา น, นหลานจริงพระรามนั้นเป็นหลานเท้าอัจฉบาลซึ่งเป็นสาหของท่าน พูดง่ายว่ า, ลาหาลานในทจกับหลานนอกใจมันเกิดกรณีพิพาทกันเรื่องแย่งนางสีดาแต่พอเห็นนางสีดาเ็าจริงๆเนี่ยพระองค์ก็บอกอ๋อไอพวกนี้มันจริงแย่งกันมันสวยจริงๆนะแต่ว่าท่านเองท่านก็ไม่หวั่นไหวบัวท่านเป็นพมไม่เกิดความยินดียินได้ได ไม่เกิดความยินดียินดายในตัวใครเลยสักคนหนึ่งนะะมันมีอยู่ประโยคหนึ่งที่ท่นานใช้ว่าแต่ตัวกูผู้มีอุเบกขาฌานจึงสังหารเสียได้ไม่ใหญ่ดีมันเกิดไม่ยินดียินร้ายมันก็วิเคราะห์ปัญหาตามสมควรแก่การกะระทาคือไม่ใส่ใจว่าเขาเขาเป็นใครแต่ดูว่าเขาทำยังไง วิธีการของพระองค์ก็คือถามทศกาณในทศกาณเล่าเป็นพื้นฐานไว้ก่อนแล้วก็เรียกพระรามมารับสั่งถามในกรณีเดียวกันปรากฏว่าเรื่องมันเรื่องมันตรงกนันเรื่องส่วนใหญ่มันก็ผิดแก่พราะคนกลางที่อยู่ในเหตุการณ์อีกคนหนึ่งนี่คือนางสีดาก็เรียกนางสีดาไมา้เล่าเล่าทีหลังท่านทั้งสอง ว่าข้อความทุกถ้อยกระทรงความเนี่ยของนางสีดามันตรงกับพระรามเราทำให้ท่านได้ข้อวิชัยทันทีเลยว่าทศกณัณฐ์ผิดรอนตัวเบคขาเนี่ยจึงเป็นเรื่องใหญ่ว่ามันจะต้องมองโดยพื้นฐานคนเสมอกันในแง่ของกรรม การทำใจเป็นอุเบกขาคล้ๆกับตัวข้อสอบนะฮะตัวข้อสอบนักศึกษาอามาเป็นครูบาอาจารย์มานานนะตั้งแต่ปศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้ามานะเวลาตัวข้อสอบมันไม่เคยดูข้างบนเนะีคือทำใจเอาไว้ว่าข้างบนเนี่ยจะมีอะไรเราไม่ดูเราดูตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยแล้วก็ให้คะแนนแล้วก็ไม่ได้สนใจดู กิริยามันเรื่องนี้เราไม่ต้องลงคะแนนเองแต่วว่าให้คะแน น, นไปคนอื่นก็ไปกรอกข้าวตารางบางเรื่องเราก็ไปลงทีหลังแต่เราก็ดูเลขเราไม่ดูคนเพื่ออะไรเพื่อรักษาใจอ่ะมันเป็นกลางไว้เพราะถ้าเราไปดูคนแล้วนี่มันอดมีความรู้สึกไม่ได้นะแต่บางทีก็เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดคุ้นเคยกันลูกศิษย์ที่วัดเนี่ยก็เคยตอบว่า บอกอาจารย์นี่เป็นยังไงอะอวัดเดียวกันแท้ๆผมตกได้อบอกว่ามันเกี่ยวอะไรกันนะวัดก็วัดนะนี่ผมตรวจข้อสอบคุณไม่ใช่สวจวัดของคุณนะี่นะคุณตอบถูกมันก็ได้คุณตอบผิดมันก็ไม่ได้มันก็เรื่องปกติธรรมดาทต น, นี้ก็คือการพยายามฝึกฝึกให้เรารักษาเบาีขาจิตไวให้ได้มันเป็นการมองความเสมอภาคในด้านของกรรม แต่เวลาเนี้ยเราจะเห็นว่าเราเรียกร้องสิทธิเสมอภาคเนี่ยเขาไม่ได้มองที่กรรมก็มองที่คนเนี้ยเลยเปนพูดยากเนีนะคือทำไมคุณจะต้องได้สิทธิเท่ากับคนอื่นนะเช่นสมมติเราตอบข้อสอบผิดตั้งเยอะแล้วเราต้องได้เกรดเท่าคนอื่นเนี้ยมันยุติธรรมต่อคนอื่นหรือเปล่าอันนี้คือจุดจุดที่มัน พลิกหน้ามือเป็นหลังมือระวังความคิดทางศาสนากับความคิดของโลกโลกทุกคนมีถือว่าคนมีสิทธิทเสมอภาคทัดเทียมกันแล้วเป็นการหลอกลวงเฉยเฉยมันจะเสมอกันได้ยังไงนะคนนึงเรียนหนังสือกันแทบเป็นแทบตายจับจบเป็นยาเอกแล้วจะให้เขาทํางานเท่ากับคนเด็กป .7 ป .6 ได้เลยก็ไม่ได้อยู่โดยสภาพอ่ะบางคนเสมอภาคกันที่กรรม สเสมอภาคกันที่กรรมคือการกระทาคนทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วมเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสูตรอย่างนั้นเป็นกฎอย่างนั้นทีนี้ถ้าเรามองอย่างนั้นแล้วเนี่ยใจไม่สะสมความรู้สึกยินดียินร้ายมันก็สามารถสงบความโกรธความยินดีลงไปได้นะเพราะถ้าเรายินร้ายมันก็สะสมความโกรธถ้าเรายินดีก็สะสมความพอใจความบินดีความรัก เดี๋ยวนี้ก็ไม่สะสมไว้ทั้งสองอย่างแต่จะมองตามกรรมคือการกระทำของเขาไม่ได้ใช้วิธีให้อันนี้เป็นลูกน้อ ง, องเราเป็นลูกหลานของเราไม่ได้แล้วก็พิจารณาการที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนอย่างที่เนี่ยอย่างที่สวดสาธยายเนี่ยบทนี้เป็นเป็นบทหลัก ที่พระพุทธเจ้ า, าส่งสอนไว้ในอภิรหัตปัจจเวคขณะบ้างในทัศอภิรหัปัจจเวคขณะบ้างอะไรก็ตามที่ส่งสอนในแนวพิจารณาเนี่ยคือจะเน้นไปในเรื่องของกรรมเนี่ยมาก mm hmm. เพื่อให้คนได้ใช้ปัญญาคิดได้ใช้ปัญญารองได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแล้วก็พยายามหาความเข้าใจในกฎของกรรมไม่ได้ คนเรามีกรรมเป็นของของ ต, จตงขง น, น, น, น, น, งนะตจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมอันใดไว้ดีวิืชัวก็ตามก็จะต้องเป็นผู้รับผลตองกับนั้นตัวอย่างที่ท่านแต่งไว้เป็นคํากลอนนะว่าอ่านความผิดพลาดครั้งทั้งหลายเล่าใช่ดวงดาวในท้องห้องเวทมนต์มาเกี่ยวข้องพ้องผ่านบนานัดนดาลดลแท้จึงผลของกรรมเราทําเองทีนี้เมื่อเรามองได้อย่างนี้ แล้ในที่สุดมันก็จะดูที่กรรมคนได้ดีเราก็กำเขาคนได้ชั่วก็กักเขาทีนี้พอเราเข้าใจกระบวนการของกรรมนะกรรมมันมีความสลับซับซ้อนเวลาคนอื่นเขาได้ดีซึ่งเราไปมองว่าเ อ, เอ๊มันได้ดียังไงก็มองว่านี่อดีตกรรมของมันให้ผลแต่เมตใจเราก็มัธยัตเป็นอุเบกขาคือไม่ได้เกิดไป ร, ริษยาไม่เกิดอะไรเขา อยได้ยกตัวอย่างนะว่าพระบางรูปเป็นรุ่นเด็กๆรุ่นลูกศิษย์ น, น, นี่เจริญเติบโตก้า ว, วหน้าไปเยอะก็เราดูแล้วเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าเรื่องบุญกุศลในอดีตนี่เราก็ไม่รู้บุญกุศลตามมาให้ผลที่มันเข้าไปในกระบวนการหรือเข้าไปอยู่ภายใต้ร่มเงาของอผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านมีความเมตตากรุณาต่อบุคคลเหล่านั้น มันเป็นลักษณะทางสังคมที่เราต้องยอมรับนะฮะว่าสังคมก็คือสังคมอ่ะอย่างโครงโลกนิตที่เขาบอกไว้ว่าแม้มีความรู้ดังสัพพัญยูผิว่ามีคนชูหอนขึ้นหัวแหวงข่าเมืองตรูตราโลกบ่อมีทองรองพื้นหอนแก้วมีสีสังคมมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าการที่ทาไมเขาอุปถัมภ์ล่ะมันก็ต้องมองสาวกลับไปอีกเอ อ, เ อ, อมันก็เป็นผลของกุศลกรรมของเขา ลักษณะอย่างนี้เราก็มองมาตลอดเหมือนกันคือมองดูเอ๊ะทำไมมันบ้านเมืองว่าคนดีไม่ได้คนได้ไม่ดีในวงการบ้านเมืองก็เหมือนกันนะโดยเฉพาะคน ด, ดีเด็ด ด, ด, ดังๆมีความรู้ความสามารถที่จะทำงานใลเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนมีอยู่เป็นอันมากแต่เวา็จริงแล้วท่านเหล่านั้นก็ไม่รับการส่งเสริมสนับสนุน พอเรามองกฎของกรรมเนี่ยแล้วก็เออว่าท่านเ้าคงจะมีบาประกรรมอะไรมาขัดขวางมาตัดรอนไม่ใช่รักที่ยอมจํานวนแต่ว่าเป็นเหตุให้คนกระตือรือร้นที่จะสร้างเหตุเพื่อเกิดผลตามที่ตนต้องการแล้วเมื่อเห็นคนอื่นเขาประสบผลกรรมที่จริงกรรมดีก็าตามกับชัวว่วก็ตามนะเกิดทั้งสองอย่างเดยวตามปกติแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นคนเราเวลาเข้าประสบ ผลของกรรมดีนะถ้าเราไม่เมตตาเขาไม่ใช่ถ้าเราไม่มีพื้นฐานเป็นมิตรกับเขาเนี่ยเรารู้สึกริษยาหรือว่าลําเอียงก็แล้วแต่แต่ทีนี้ถ้าบังเกิดขึ้นแก่คนที่เราไม่ชอบที่เราไม่ชอบเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นในเราชอบเราก็เกิดความถูกแต่ถ้าหากว่าเราตั้งหลักใจได้ ไปมองที่กังคนนี้เป็นน้องเราหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยตัวเองมานที่ผิดผิดมาเราก็ต้องยอมรับไอผิดก็คือผิดอ่ะเราจะถูกได้ยังไงมันก็ผิดแล้วอ่ะก็ทาใจสงบได้ไม่ไปเกิดความลำเอียงเพราะรักตัวเองทนุถนอมตัวเอ ง, องความลำเอียงเหล่านี้เราเราเห็นสังเกตว่ามันเป็นอาการกิเลส ฉันภากติลำเบียงพราะรักใครก่กั น, น, ก, ก, าา ก, ก, นก็เป็นอาการของโลภะอาการของราคะโทสากติลำเบียงเพราะไม่ชอบกันก็เป็นอาการของโทสะพยาคติลำเบียงเพราะกลัวนเนี่ยไม่แน่อาจจะเกิดจากโลภะก็ได้อาจจะเกิดจากโมหะก็ได้อาจจะเกิดจากราคะก็ได้ก็แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่ามันกลัวเพราะอะไรอย่างสังคมเราปัจจุบันเนี่ย คือเรากลัวสื่อนี่มากเกินไปแล้วสื่อมีอิทธิพลมากจนขนาดรัฐบาลเองก็ยอบจำนวนคือคนเหล่านี้เขามีสื่ออยู่ในมือเขาก็พูดเขาก็แสดงความคิดความเห็นแล้วเขาเขาก็ไม่ได้ดูตัวเขาว่าเขาไม่ได้เก่งอะไรนักหนะคนเราเนีมยมีความจำกัดในตัวเองและที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราน่าสลดเนี่ยคือพวกอ่านข่าวที่พิมพนะ์และวิจาร์เลย ข่าวที่ซื้อพิมพ์มันเป็นข่าวสารเฉยๆมันไม่ใช่ปัญหาข้อเท็จจริงแต่เป็นมหาลดาข่าวสารเท่านั้นเพราะต้องฟังระดับข่าวสารมันก็ต้องฟังไว้วหูก่อนแต่เราฟังคล้ายๆกับเป็นข่าวกลองสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ได้ทันทีทันใดและผลท้ายก็หน้าแตกกันอยู่เรื่อยๆได้คมก็กลัวกับสื่อสารเหล่านี้ ขนาดผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าเมืองยังกลัวสุพิมนะนายกยังกลัวสุพิมบางคนจนสีมาไทยยังกลัวสุพิมท่านท่านที่คุมสันติบาลเดี๋ยวนี้นั้นก็คืออะไรก็คือบางอย่างมันเป็นโมหะกติบางอย่างมันเป็นกระแสที่ถูกสร้างขึ้นจนเป็นภาพลักษณ์ที่น่ากลัวโมหะกติมันก็ลักษณะอย่างนั้นนะ่ะคือไม่มีเหตุผล มันใช่อารมณ์ตัวเองมากเกินไปไปสั่งเติมเขาแล้วได้อะไรไปเสียใจแล้วจะได้อะไรจะวัาคนที่เราเราไม่ชอบพราะมีความเจริญก้าวหน้าเราเสียใจแล้วมันได้อะไรเขาได้นะเขาแน่เขาได้แต่เราไม่เสียมันเกิดทุกข์เกิดโทสะเกิดความครับแค้ง ใ, ใจเกิดความบืดอหับใจขึ้นมาทีนี้ถ้าหากว่าคนที่เรารักประสบความพิบัติเดือดร้อน แล้วเราจะเราก็เสียใจแล้วก็ได้อะไรต้นลมว่าถ้าบอกไม่ดีใจไม่เสียใจเป็นการวางใจเป็น ก, ากลางเพราะแนวของอุเบกขาเนี่ยมันก็คือการทําใจก็เรียกว่าทาใจเป็นกลางกลางในอารมณ์ทั้งหลายไม่สะสมความยินดียินร้ายไว้ภายในใจ อุเบขาเป็นเหมือนกับตานะฮะเขาเรียกอุปะอิขะอุปะนี่เป็นบทหน้าอุปะแปลว่าเข้าไปใกล้มันอิขะแปลว่เาเพ่งดูอิขะก็คือตานะฮะในการดูก็ เ, เอาตาเข้าไปเพ่งดูแต่เป็นตาปัญญานะะไม่ใช่ตาเนื้อตาเนื้อก็อย่างว่าตาเนื้อมันอบแกว่งไม่ได้ออสับสนไม่ได้เราก็เพ่งดูด้วยตาปัญญา ก็ทำให้จิตมันเดินแล้วก็มองสัพพชีวิตปฏิบัติไปตามเหมาะควรแ ก, ก่กรณีเมตตานั้นมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์าำหน้าที่ขจัดพยาบาทแล้วก็กามบาราคาออกไปจากใจรูนามีสัตว์ประสบทุกภัยโรคเป็นอารมณ์เฉพาะคนที่ประสบทุกภัยโรคเนีฮะบางเหมืองคนก็ไม่หกล้มเลยเราไปประคองเขาขึ้นมาให้ประคองทําอะไร นอกเรื่องเพราะนั้นก็ใช้ในกรณีที่เขวประสบทุกข์ภัยโรคมีพลานุภาพในการขจัดวิหิงสากับโซกออกไปมุติตานั้นมีสัตว์ที่ประสบความเจริญก้าวหน้าเป็นอารมณ์มีพลานุภาพในการขจัดริยาแล้วก็อุนิยะคือการต้องการมีส่วนแบ่งมีส่วนร่วมออกไป อุเบกขามีสัตว์ประสบผลกรรมทั้งดีและไม่ดีเป็นอารมณ์ส า, า, ามรารถขจัคจดความยินดียินร้ายอคติออกไปจากใจหมายความว่าใจสงบความยินดียินร้ายจนไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบงาของความลำเอียงโดยแรงของอคติถ้ากว่าจิตมันเดินได้อย่างนี้เราจะเห็นว่าปัญญาเข้ า, เ ข, าเข้ากํากับอยู่ตลอด สภาพจิตได้เหมาะควรแ ก, ก่กรณีคือจะเกิดปัญหาใดขึ้นมาก่อนตามจิตมันอยู่ภายใต้ร่มเงาของกุศลธรรมตลอดแล้วพอไม่ตายกูหนาพฏิตาทำไม่ได้เนี่ยจิตจะเปเบิกขาทุกคราวไปก็ทำนองคล้ายๆกับประตูหน้าต่างก็เรียบร้อยแล้วอาบน้ำอาบทาแล้วรับประทานอาหารแล้วแขกก็กลับแล้วก็นอนเป็นเรืองใจเป็นฐานใจเป็นหลักใจของคน